วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26ุ่่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาหาความรู้ จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีความรู้ที่ประเสริฐที่จะสามารถนำพาผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติได้ไปสู่ที่ความสุขความเจริญที่แท้จริงและที่ถาวรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ชาวพุทธเหล่านี้ศึกษาทำความรู้จักก็คือจิตใจจิตใจนี้ทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เช่นร่างกายของเราหรือบุคคลต่างๆที่เป็น สิ่งที่เราได้รับความสุขจากเขาหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆลาภยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญของใจแล้วเป็นเหมือนกับฟ้ากับดิน ใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เช่นร่างกายของเราทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อนผู้งบริษัทบริวารญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีคุณค่าแต่ก็เป็นของชั่วคราว คือจะมีวันที่จะต้องสิ้นสุดลงจะมีวันที่ต้องหมดไปร่างกายของเรานี้ก็อยู่ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องจบลงเมื่อร่างกายนี้จบลงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็จะจบตามไปกับร่างกายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆนี้ก็จะหมดจาก ความเป็นของของเราไปเราก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเองใจของเรานี้เป็นธรรมชาติที่ยากต่อการเข้าถึงหรือเข้าใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของพวกเรา ความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่และยังยืนกว่าความสุขจากทางร่างกายใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคู่แฝดของร่างกายคู่แฟดเป็นแฝดสยามคือติดอยู่กับร่างกาย เหมือนสมัยก่อนที่มีแฝดสยามคู่แรกที่เรียกว่าอินกับจันในสมัยนั้นยังไม่วิชาการทางแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ายังยังไม่มีความสามารถที่จะแยกร่างกายของอินกับจันให้ออกจากกันได้อินกับจันก็เลยต้องอยู่ร่วมกันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเั่นใด ใจกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนแฝดสยาม <c oughs> ใจนี้เป็นแฝดพี่เป็นเจ้านายของแฝดน้องคือร่างกายนังที่มีคำพูดเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายเดินยืนเดิมเดิมรับประทานดูฟังอะไ ร, ต, รต่างๆการกระทาต่างๆของร่างกายนี้ต้องรอคาสั่งจากใจเป็นผู้สั่งก่อนเมื่อใจได้สั่งแล้วร่างกายจึงสามารถ ทำอะไรต่างๆตามที่ใจสั่งได้ใจกับร่างกายนี้มาร่วมกันมาพบกันในตอนที่มีการตั้งครรภ์นในท้องของมันดาในครรภ์ของมัรดาเมื่อมีเชื้อของพ่อของของแม่มาผสมกันก็จะมีส่วนที่สามคือใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาร่วมสังฆกรรม มาร่วมทาพิธีประกอบให้เกิดมีประการปฏิสนธิขึ้นมามีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาร่างกายเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วก็จะค่อยเจริญเติบโตอยู่ในคันของมารดาอยู่ประมาณเกเดือนด้วยกันเพื่อที่จะสร้างอวัยวะต่างๆให้ครบสมบูรณ์ให้มีอาการสามสิบสอง คือผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเ<ไ>มื่อร่างกายมีอาการครบสามสิสองก็ก็จะคลอดออกจากท้องของมารดาออกมาแล้วพอออกมาจากท้องแล้วใจผู้เป็นแฝดพี่ก็จะเป็นผู้สั่งให้น้องทําอะไรต่างๆสั่งให้น้องร้องไห้สั่งให้น้องหัวเราะสั่งให้น้อง ดิ้นสั่งให้น้องทำอะไรต่างๆผู้ที่สั่งนี้ก็คือใจเพราะว่าใจนี้ต้องการใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขในใจนี้มีสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความอยากอยู่สามชนิดด้วยกันคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา กามตัณหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพธพัชนิดต่างๆภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่แล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้อยาก ได้อย่างนั้นอยากมีอยางอยากไม่ได้อย่างนั้นอยากไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าความอยากวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีกับความอยากมีภาวะตัณหากับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวาใจนี้เป็นเหมือนผู้ติดยาเสพติดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะแล้วก็ไม่ได้มาติดในเฉพาะช่วงที่มาเกิด ตอนที่มีร่างกายนี้ใจนี้ติดรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นเวลาอันยาวนานเปลี่ยนร่างกายมานี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านล่างแล้วทุกครั้งที่ได้ร่างกายก็จะใช้ร่างกายนี้พาไปตอบสนองตันหาความอยากทั้งสามประการนี้จนกว่าร่างกายนี้จะไม่สามารถตอบสนอง ความอยากได้คือเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเวลานั้นใจกับร่างกายก็จะแยกทางกันร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเช่นถ้าเราเอาร่างกายไปเผาน้ำที่มีเนือร่างกายก็จะถูกไฟเผาหายไปหมดเหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน ส่วนที่เป็นของแข็งก็จะกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานเป็นเศษกระดูกไปแล้วก็ในที่สุดก็จะกลายเป็นดินไปเพราะนี่คือส่วนประกอบของร่างกายของทุกๆคนทำมาจากธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในรูปแบบต่างๆเช่นธาตุาา ด, ดินก็จะมาในใ น, ในรูปของอาหารอาหารที่เรารับประทานนี้ ส่วนใหญ่ก็ประกอบจากธาตุดินมีธาตุน้ำผส ม, มอยู่ด้วยคือน้ำของเหลวต่างๆแล้วก็ธาตุลมก็ได้มาจากการหายใจเข้าออกทางจมูกแล้วก็ธาตุไฟก็ได้จากความร้อนของดวงอาทิตย์จึงทำให้ร่างกายนี้เจริญตับโ ต, ตและตั้งอยู่ได้ในระยะเวลาหนึง่ง แต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของตายลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วจะต้องดำเนินไปสู่การดับในที่สุดชา้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบางสิ่งก็ใช้เวลานานหน่อยบางสิ่งก็ใช้เวลาสั้นหน่อย แต่ไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวก็จะอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วก็จะต้องดับไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายพ อ, อร่างกายหมดสภาพลงใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่อีกอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้มีร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆและจา ก, การได้มีได้เป็นอะไรเวลาได้เป็นอะไรตามความอยากก็เกิดความสุขเวลาไม่ต้องการสิ่งที่ต้องไม่อยากได้ พอไม่ได้มันก็มีความสุขแต่แล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความต้องการของใจไปตลอดเวลาเพราะบางทีก็บางทีก็มีความอยากได้แต่พอไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าได้สิ่งที่ ชอบได้มาแล้วถ้าเกิดเวลาสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาปัญหาของใจก็คือเรื่องของความทุกข์ใจนี้เองเป็นเรื่องที่ใจไม่ต้องการใจคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะได้มีความสุขแต่ใจไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่าง ที่ใจอยากได้นั้นว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีอยากได้ก็อาจจะได้มาแต่บางทีอยากได้ก็อาจจะไม่ได้มาก็ได้เวลาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาที่ได้มาแล้วสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นการหาความสุขของใจแทนที่จะเป็นการหาความสุขกับกลายเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่ต้องการแต่ก็หนีไม่พ้นเช่นชีวิตของเราทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏริเสธว่ามักจะเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ เพราะว่าสิ่งที่เราไปรับรู้หรือไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่สม่ำเสมอไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวามักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเช่นบุคคลคนหนึ่งที่เราพบค้าสมาคมด้วย ช่วงแรกๆ ก, ก็อาจจะเป็นคนที่ให้ความสุขกับเราแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งความสุขที่เขาเคยให้ก็อาจจะหายไปก็ได้เพราะเขาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทำตามความอยากของเราเราอยากให้เขาพาเราไปเที่ยวสมมุติใหม่ๆเขาก็จะพาเราไปเที่ยว เราก็จะมีความสุขกับเขาแต่พอเราได้อยู่กับเขาแล้วบางทีเขาก็ไม่อยากเที่ยวขึ้นมาเขาใจเขาก็เปลี่ยนได้แล้วพอช่วงที่เราอยากเที่ยวแล้วเขาไม่อยากเที่ยวเราบอกให้เขาพาเราไปเที่ยวเขาไม่พาไปเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของใจ ปัญหาของใจคือการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่คงเส้นคงวาไม่สามารถที่จะให้ความสุขได้เสมอไปเพราะว่าการจะได้ความสุข ในแต่ละครั้งก็จาเป็นที่จะต้องได้สิ่งที่อยากจะได้ถ้าถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ละคือเรื่องของใจที่มาเกิดในในโลกนี้มามาเป็นแฝดกับร่างกายเพราะต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เพราะใจเป็นเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผทฉภะติดในการเป็นนั่นเป็นนี้ติดในการไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ใจนี้จะต้องมีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็พอได้ร่างกายอันใหม่มา แทนที่จะได้รับความสุขจากร่างกายเพียง อ, อย่างเดียวก็กลับจะต้องได้รับความทุกข์จากร่างกายด้วยเพราะธรรมชาติของร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของที่เกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่ตามมามกีการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีการตายตามามาเวลาที่ร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตาย ร่างกายก็ไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจได้ใจอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ไหวเป็นคนแก่ก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกช่วยตัวเองยังช่วยไม่ได้แล้วจะไปช่วยใจให้มีความสุขได้อย่างไร้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกัน หาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บปวดของร่างกายแล้วเวลาจะตายก็จะเกิดความทุกข์เพราะจะรู้ว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแล้วก็อาจจะคิดว่าตนเองตายไปกับร่างกายจึงเกิดความทุกข์อย่างมาก อันนี้คือผลเสียของการที่มีความอยากของใจอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยต้องไปหาร่างกายไปมีร่างกายพอไปมีร่างกายก็ต้องเจอกับปัญหาของร่างกายต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยพอออกจากท้องแม่มานี้ก็ต้องเริ่มหายใจนะต้องหายใจเอง เพราะว่าถ้าขาดลมหายใจก็จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในร่างกายเวลาขาดลมหายใจนี้ก็ใจก็จะร่างกายก็จะเจ็บจึงจำเป็นจะต้องหายใจเองอช่วงที่อยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจเพราะอาศัยลมหายใจของแม่หล่อเลี้ยงผ่านทางสายสะดื อ, อตอนนั้นอยู่ในคันสบาย ไม่ต้องทำอะไรแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วก็ต้องมีพาระดูแลร่างกายนับตั้งแต่ออกมาสิ่งแรกก็ต้องหายใจให้กับร่างกายบังคับหรือสอนให้ร่างกายให้หายใจหายใจเข้าหายใจออกเพื่อจะได้เอาอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่และเจริญเติบโตได้ นอกจากการหายใจแล้วก็ต้องเติมอาหารเติมน้ำเริ่มร้องเวลาเกิดความหิวขึ้นมาบิดามารดาก็ต้องหาอาหารในรูปแบบของนมไปก่อนนมก็เป็นอาหารมีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุดินที่จะเติมให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตพอร่างกายเริ่มโตขึ้นเริ่มกินของ ของแข็งได้ก็เริ่มป้อนอาหารข้าวบ้างอะไรบ้างไปก็ต้องคอยดินลนหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายหาปัจจัยสี่หาธาตุสี่มาต่อเติมให้ร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายนี้ขาดไม่ได้ธาตุทั้งสี่ที่มาในรูปแบบของปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จะต้องหากันสร้างกันขึ้นมาถ้าเกิดไม่สามารถหาปัจจัยสี่ได้ก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเช่นคนที่ไม่มีที่บ้านไม่มีบ้านอยู่คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยคนที่จอจัดคนที่ต้องพึ่ง ที่อยู่ตามใต้สะพานบ้างอยู่ตามเดินเดินร่างบ้างอยู่ตามสารวัดบ้างอะไรต่างๆเหล่ า, านี้ mm. ก็เป็นเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่มาดูแลเลี้ยงดูร่างกายได้นั่นเอง mm. นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกายในเบื้องต้นคือการอยู่รอดของร่างกายนี้จําเป็นที่จะต้อง มีความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูร่างกายนี่คือโทษของการเกิดหรือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายภัยทางธรรมชาติบางทีก็จะ แผ่นดินถลม่มแผ่นดินไว้บางทีก็เจอน้ำท่วมบางทีก็เจอพายุบางทีก็เจอไฟไหมที่เหล่านี้ก็ล้นเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีร่างกายนี้เช่นเดียวกันนี่คือที่ท่านบอกทุกการเกิดเป็นทุกข์ก็ทุกขอย่างนี้ทุก์ว่าจะต้องดิ้นรนเลีนลน้ยงดูร่างกายให้อยู่รอด ทุกจะต้องป้องกันภัยต่างๆที่จะมากระทบกับการอยู่รอดของร่างกายภัยทางธรรมชาติแล้วยังมีภัยทางทางเชื้อโรคต่างๆเนี่นเราคงจะไม่ปฏิเสธว่าเรามีเชื้อโรคชนิดต่างๆที่สามารถที่จะเข้ามาทําลายชีวิตของร่างกายได้ แล้วก็ยังมีภัยจากเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ก็อาจจะสามารถมาทำร้ายร่างกายให้ถึงแก่ความตายได้เช่นเดียวกันนี่แหละคือสิ่งที่ทาสิ่งทีท่ที่ท่านบอกว่าเป็นทุกข์การมีร่างกายนี้คือมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าจะต้องคอยปกป้องรักษาเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่รอดไปในแต่ละวันนั่นเองแล้วก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยจะตายพรุ่งนี้ตายคืนนี้ไม่มีใครรู้ถึงเวลามันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุการณ์ตามปัจจัยต่างๆที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยสร้างความหวาดภาวาสร้างความวิตกสร้ากังวลให้กับใจอยู่เรื่อยๆ ทั้งๆ ท, ที่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่เนื่องจากใจยังไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการสั่งสอนจากจากแหล่งแหล่งความรู้ที่ถูกต้องคือจากพระพุทธศาสนามีศาสนาพุทธเท่านั้นที่เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องที่จะสอนให้เรารู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน เป็นแฝดพี่แฝดน้องที่มาร่วมทากิจกรรมร่วมกันเท่านั้นเองชั่วคราวแต่วันหนึ่งเมื่อร่างกายถึงเวลาสิ้นสุดลงใจก็จะแยกออกจากร่างกายใจนี้จะไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่มีภาระมีความทุกข์กับที่การจะต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายปกป้องรักษาร่างกายอันนี้เป็นส่วนของใจ ใจเป็นผู้ที่รับทุกข์รับรับทุกข์ในการที่จะต้องมาคอยเลิงดูร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายเนื่องจากขาดความรู้ที่ถูกต้องคือความรู้ที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเนื่องจากไม่มีใครสอนแล้วพอเกิดมาก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองคือ ไม่มีรูปร่างหน้าตาเห็นตัวเองไปติดอยู่กับร่างกายก็เลยไปเหมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเองเหมาว่าใจเป็นร่างกายแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรนี้ใจไม่ได้เป็นด้วยใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายหิวใจก็ไม่ได้หิวกับร่างกายร่างกายอิ่มใจก็ไม่ได้อิ่มเลยกับร่างกายแต่ใจไม่รู้เนื่องจากความหลงความไม่รู้นี้เลยไปทําให้ใจคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็เป็นมีความรู้สึกเป็นไปพร้อมๆกับร่างกายร่างกายหิวใจก็หิวด้วยน่่ใจอิมร่างกายอิ่มใจก็อิ่มด้วยทั้งนั้นเอง อันนี้แหละเป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความไม่รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจก็เลยทุกข์ไปกับความทุกข์ทางร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทั้งทั้งที่ใจไม่ได้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแน่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ แต่ใจไม่รู้ใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยทำให้ใจนี้ทุกไปกับร่างกายแล้วก็จะทุกไปจนวันตายไม่มีวันสิ้นสุดลงแล้วก็หลังจากที่ตายไปแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาทุกต่อไปอีกเพราะว่าใจยังติดอยู่กับการเส็บรูปเสียงกลิ่นน้นติดอยู่กับการ การอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองอันนี้แหละเป็นเรื่องของใจที่เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถแก้ปัญหาของใจได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนแรกในโลกนี้ที่มีความรู้ความฉลาด ที่สามารถค้นคว้าและพบความจริงของร่างกายและจิตใจว่าเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันไม่มีใครในโลกนี้ที่เข้าใจหรือรู้ความจริงอันนี้ได้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่เข้าใจว่าทำไมของต่างๆที่อยู่บนผิวโลกนี้ ถึงติดอยู่บนผิวโลกนี้ทำไมไม่ลอยขึ้นไปในอากาศเช่นใบไม้เวลาหลุดออกจากต้นทำไมไม่ลอยขึ้นไปข้างบนทำไมหล่นลงมาผลไม้ต่างๆเวลาเวลาออกจากดูด อ, อกจากขัวทำไมไม่ลอยขึ้นไปทำไมตกลงมานักวิทยาศาสตร์คนนี้เขามีความคิดเขาคิดเปรียบเทียบแล้วเขาก็คิดถาม เขาก็หาข้อสรุปจนในที่สุดเขาก็สรุปได้ว่าต้องมีอะไรดึงดูดสิ่ ง, งต่างๆให้อยู่บนผิวโลกนี้จึงได้ค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดที่จะดึงสิ่ ง, งต่างๆที่อยู่บนผิวโลกนี้ให้ติดอยู่บนผิวไม่ให้ลอยขึ้นไปอากาศยกเว้นของบางอย่างที่เบาที่เบากว่าแรงดึงดูดของโลกจะดึงไว้ได้เท่านั้นถึงจะลอยขึ้นไปในอากาศได้เช่น ไอระเหยของน้ำไอระเหยน้ำนี่จะระเหยเป็นไอขึ้นไปอันนี้ก็จะลอยขึ้นไปแต่ก็ลอยไม่ออกไปพ้นรัศมีไม่ไม่ได้ลอยขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วพอไปเกาะตัวรวมตัวกันพอมีน้ำหนักมากขึ้นมาก็จะถูกแรงนึงดูดดึงกลับลงมากลายเป็นฝนไปนะฝนนี่มาจากไหนฝนมาก็มาจากไอน้ำเนี่ย ที่ระเหยจากผิวน้ำอยู่น้ำในทะเลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตน้ำ ผ, ผลิตเมฆขึ้นมาและเมื่อเมฆมาเกาะตัวรวมตัวกันมากๆเข้าก็จะมีน้ําหนักมากทำให้จะต้องตกลงมากลายเป็นน้ำฝน ล, ลงมาอันนี้คือสิ่งที่คนฉลาดเขาศึกษาหาความรู้กันเขาใช้การวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยสรุปได้ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดสิ่งต่างๆไว้ถ้าอยากจะออกจากโลกนี้ไปก็ต้องสร้างแรงที่มีแรงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกให้ดึงสิ่งที่เราต้องการให้ออกไปเช่นเครื่องบินหรือจรวดเนี่ยเราก็คิดค้นหาเครื่องยนต์ ที่จะสามารถผลักดันให้สิ่งที่เขาจะต้องการส่งให้ขึ้นไปในอาวากาศนี้ขึ้นไปได้ด้วยการสร้างสร้างจรวดสร้างเครื่องยนต์ที่มีพลังขับเคลื่อนมากกว่าแรงดึงดูดของโลกจึงสามารถส่งให้ส่งยาในอาวากาศส่งสิ่ ง, งต่างๆขึ้นไป อยู่ในอ า, ากาศอยู่นอกการแรงดึงดูดของโลกได้อันนี้ก็เกิดจากการศึกษาจากการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่สติปัญญาของของใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสามารถพวกเราทุกคนมีสติมีปัญญากันแต่จะมีมากมีน้อยเท่านั้นที่ต่างกันส่วนใหญ่จะมีน้อยจะไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมจะเป็นอย่างนี้อะไรถึง ทำไมมันถึงร้อนทำไมถึงเย็นทำไมถึงหนาวแต่มีคนฉลาดนี้เขาจะศึกษาแล้วเขาจะค้นพบว่าทำไมถึงมีหน้าหนาวทำไมถึงมีหน้าร้อนมีอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่รู้กันก็คือว่าว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอย่างกันไม่มีใครในโลกนี้รู้กันมีคนเดียวท่านั้นนานๆจะมา ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกัน mm hmm. ร่างกายเป็นของชั่วคราวทำมาจากดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ผู้คิด mm hmm. แต่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดกว้างยาวลึกหนาบาง mm hmm. เป็นสิ่งที่ มีความคิดมีความรู้เวลาที่ไปเกาะติดกับร่างกายก็จะรับรู้สิ่งที่ร่างกายรับรู้เช่นร่างกายมีตาร่างกายก็จะเห็นรูปร่างกายมีหูก็จะได้ยินเสียงพอตาเห็นรูปใจก็จะมีเครื่องมารับอีกทีมีมีกระแสที่เรียกว่าวิญญาณการรับรู้ของใจ ใจนี้จะส่งกระแสการรับรู้มาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายห้าส่วนด้วยกันห้าสายด้วยกันสายหนึ่งไปเกาะที่ตาสายหนึ่งไปเกาะที่หูสายหนึ่งไปเกาะที่ลิ้นที่จมูกแล้วก็ที่ร่างกายพอมีอะไรมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะรับรู้ทันทีรู้ว่าอตอนนี้ร่างกายเห็นรูปแล้วร่างกายได้ยินเสียงแล้ว แต่สิ่งที่ไม่รู้คือใครนี่คือร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่รู้ไม่มีการรับรู้ร่างกายไม่รู้ว่ามันกําลังเห็นรูปกําลังได้ยินเสียงร่างกายนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่นี่แหละโทรศัพท์มือถือเขาไม่รู้เวลาที่เราถ่ายรูปว่าถ่ายรูปอะไรเวลาบันทึกเสียงเขาก็ไม่รู้ว่าเขากําลังบันทึกเสียงอะไรเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่หรือมีความสามารถที่จะ รับรูปได้รับเสียงได้แล้ว บ, บันทึกรูปบันทึกเสียงเก็บเอาไว้ได้เท่านั้นเองผู้ที่รู้คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยเพราะผู้ที่ใช้โทรศัพท์นี้มีใจมีใจแล้วก็มีร่างกายเป็นผู้ใช้อีกทีนึงแต่ถ้าไม่มีใจผู้ที่ใช้โทรศัพท์ก็เหมือนคนตายเวลาคนตายนี้เป็นเวลาที่ใจกับร่างกายนี้แยกออกจากกัน ตอนที่ร่างกายตายนี้ใจไม่รับรู้เรื่องอะไรของร่างกายแล้วเวลาเอาไปเผาใจก็ไม่รู้ว่าร่างกายถูกเผาเวลาใครเอามีดไปผ่าไปไปตัดไปแทงไปเจาะอะไรใจก็ไม่รู้ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนเวลาคนตายนี้ร่างกายจะไปผ่าจะไปเจาะจะไปฉีดไปอะไรไปเผาไปฝัง ร่างกายไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายไม่มีการรับรู้และผู้ที่รับรู้ก็ไม่ได้ติดอยู่กับร่างกายแล้วแยกออกจากกันนี่คือเรื่องของใจกับร่างกายที่มาเกี่ยวพันกันเพราะเกิดจากความอยากแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้จนกว่าจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านี้มีความสนใจ พราะพระุทธเจ้ามีความทุกข์กับร่างกายแล้วท่านก็ต้องการที่จะหาวิธีการดับทุกข์ของใจที่มีกับร่างกายตอนที่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นครั้งแรกนี่เกิดความทุกข์มากเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตั้งแต่เด็กจนโต น, นี้พระราชบิดาห้ามไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ออกมาจากนอกบริเวณพระราชวังให้เก็บตัวไว้อยู่ในพระราชวังแล้วให้มีแต่สิ่งที่สดใสราเริงนห้อมล้อมตัวเจ้าชายสิทธาาัตถะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายทรงห้ามไม่ให้หไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายนี้เข้าไปในวังโดยเด็ดขาด เพราะาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความทุกข์ใจเนื่องจากว่าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาใหม่ๆพระราชบิดาได้เชิญพวกโหราจารมาดูดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะก็มีโหราจารส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าอยู่ครองราดก็จะได้เป็นมหาจากาักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาดัางนั้นเจ้าชายสุดโททนะพระราชบิดาก็ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและเหตุที่คนส่วนใหญ่ออกบวชกันก็เพราะเห็นความทุกข์ของร่างกายเหล่านี้เองเห็นความทุกข์ของการที่เกิดของการเกิดแก่เจ็บตายจึงทรงห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้พบได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย แต่ก็เป็นธรรมชาติของใจที่อยากรู้อยากเห็นสิ่งใดที่ห้ามยิ่งห้ามก็ยิ่งยุยิ่งห้ามไม่ให้ไปก็ยิ่งอยากจะทําแล้วในวันหนึ่งก็แอบออกไปกับมหาเล็กออกไปเที่ยวนอกวงังก็เดินไปเดินไปก็เริ่มไปเห็นคนชราเดินมาก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นใครทำไมก็ถึงเป็นอย่างนี้เดินหลังข้อมมาถือไม้เท้าบวชครับประคองเดินมา มหาเล็กก็ตอบว่าก็เป็นเรื่องของร่างกายของเรานี่แหละครับแม้แต่ร่างกายของพระองค์ในวันข้างหน้าก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทราบ ว, ว่าตอบไปร่างกายก็จะต้องเป็นคนแก่ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วต่อไปพอเดินไปก็เห็นคนป่วยนอนอยู่หน้าบ้านล้องโอดควนคลางพอถามว่าทําไมคนนี้ทําไมถึงอยู่ดีๆมานอนล้อมอดคุนคลางทําไม ก็บอกว่าเขาเจ็บก็ เ, เป็นมีโรคภัยไข้เจ็บที่สร้างความเจ็บปวดรว่ดเล้าให้แก่ร่างกายจนกระทั่งทําให้เขาทนที่จะอดร้องออกมาไม่ได้เพื่อเป็นเรื่องปกติของทุกคนแม้แต่ร่างกายของพระองค์วันข้างหน้าก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันพอรู้ว่าจะต้องเจ็บก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหญ่แล้วเดินไปอีกะระยะหนึ่งก็ได้ไปเจอกับขบวนแห่ศพก็ถามว่าเขาแหก อะไรไปเขาบ่าแหกคนตายคนตายนี่ก็เหมือนพระ อ, องค์นี่แหละอยู่มาก็เหมือนพระ อ, องค์เกิดมาค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วพอในที่สุดก็ต้องตายไปพอตายไปก็เอาไปชาพนกิจเอาไปกําจัดเพราะถ้าปล่อยเก็บไว้มันก็จะทํำส่งกลิ่งเหม น, นเป็นเป็นเป็นเหมือนขยะก็เลยต้องเอาไปทําการกําจัด ก็มีหลายวิธีในยุคนั้นเขากำจัดด้วยการเผาที่ริมแม่น้ําก็พาแห่ศพไปที่ริมแม่น้ําแล้วก็เผาเผาร่างกายให้กลายเป็นดินไปแล้วพอทรงเห็นคนตายขึ้นมาแล้วต้องรู้ว่าจะต้องตายก็เลยเกิดความทุกข์อย่างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอความทุกข์แบบนี้มาก่อนเลยเพราะอยู่ห้อมล้อมอยู่กับเรื่องที่มีแต่ความสุข อยู่กับคนหนุ่มคนสาวคนรูปร่างหน้าตีหน้าตาดีสวยงามหล่อเหลามีการแสดงการบันเทิงอะไรชนิดต่างๆให้เพลิดเพลิน อ, อยู่ตลอดเวลาเพราะเจ้าชายสุดโททนะพระราชบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีเหตุพาให้ไปออกบวช น, นั่นเองไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทุกอยากใช้ให้ติดกับความสุขการอยู่ในวังเพื่อจะได้อยู่ ทำหน้าที่ของกษัตริย์ต่อจากพ่อไปเพื่อจะได้ไปเป็นพระมหาจากักรพรรดิเนื่องจากว่ามีความสามารถมีความเก่งกาจในวิชาการต่างๆนั่นเองแต่เมื่อวันนั้นได้ออกไปเห็นสภาพของความเป็นจริงของร่างกายแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและก่อนจะกลับเข้าวังก็เห็นชายคนหนึ่งอยู่ในข้าของนักบวชก็เลยถามว่าแล้วชายคนนี้เขาทําอะไรเขาถึงแต่งตัวแบบนี้ ก็บอกว่าคนนี้เขาเป็นนักบวชเขาเป็นพวกที่จะแสวงหาวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเขาก็เลยไปบวชกันเพราะเขาเชื่อว่าวิธีการบวชนี้จะเป็นวิธีที่จะให้ได้พบสัจธรรมความจริงของชีวิตแต่ในยุคนั้นก็ยังไม่มีใครพบคําตอบยังไม่มีใครพบความเป็นจริงของจิตใจกับร่างกาย ว่าเป็นคนละสั์คนละส่วนกันคนละคนกันเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วความสุขใจที่เคยมีอยู่กับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในวังนั้นมันก็หายไปหืุดชืดไปหมดจัดงานเลี้ยงก็ไม่มีความสุขเหมือนกับตอนตอนก่อนที่จะไปเจอความทุกข์และในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องไปบวชก็เลยตัดสินใจบวชเมื่อตอนที่ได้ทราบข่าวว่า พระมเหสีได้คลอดลูกออกมาแล้วมีมหาเล็กมารายงานว่าพระมเหสีได้คลอดราดชาโอรสออกมาแล้วพอได้ยินข่าวท่านก็อุทานออกมาว่าลาหุนลาหุนเป็นภาษาบาลีแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงก็คือลูกลูกนี้เป็นบ่วงอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่บ่วงรัดคอพ่อแม่ให้ติดอยู่กับลูกไม่ให้ทิ้งลูกนั่นเอง พอรู้อย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องติดอยู่กับการเลี้ยงดูลูกดูแลลูก<ม>ก็จะไม่สามารถที่จะไปบวชเพื่อไปแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าคืนนั้นจะต้องไปแล้วและจะไม่ไปลาใครด้วยแม้แต่ลูกก็ไม่กล้าไปมองเพราะกลัวว่าถ้าเห็นหน้าลูกแล้วจะทำให้เกิดความความเศร้าใจความเสียใจ อาจจะทำให้ไม่กล้าทิ้งลูกไปก็เลยตัดสินใจหนีออกไปในคืนนั้นมีมาหาเล็พาไปส่งที่ที่ชายแดนของของประเทศเแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปโกนผมแล้วก็ไปบวชแล้วก็เริ่มอยู่แบบนักบวชไปศึกษาวิธีการปฏิบัติแบบนักบวชเพื่อที่จะแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ตอนต้นก็ได้ศึกษาการรักษาศีลของนักบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิธีทําใจให้สงบเพราะการเวลาทําใจให้สงบนี้ความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปชั่วคราวเวลาจิตสงบจิตก็หยุดคิดถึงความแก่หยุดคิดถึงความเจ็บหยุดคิดถึงความตายพอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็หายไปเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย พอใจไม่ได้ไปแบกร่างกายไม่ไปคิดถึงร่างกายไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ก็ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายใหม่ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทุกข์ไปศึกษากับครูบาอาจารย์กี่รูปก็ไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้ว่าทําไมถึงต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บของร่างกาย ทำไมเวลาเข้าสมาธิเวลาจิตสงบแล้วทำไมไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าหาด้วยวิธีของตนเองตอนต้องก็คิดว่าความทุกข์เกิดจากการที่ที่เราไปเลี้ยงดูร่างกายถ้าเราไม่เลี้ยงดูร่างกายแล้วเราจะหายทุกข์มันเกี่ยวกับร่างกาย คิดว่าการปล่อยวางร่างกายด้วยการไม่เลี้ยงไม่กินอาหารนี่จะทําให้ความทุกข์หายไปความทุกข์ก็ไม่หายอดไปจนกระทั่งเกือบจะตายแล้วก็ความทุกข์ใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่หายาก็เลยคิดว่านี่มันไม่ใช่เป็นทางที่จะทําให้ค้นทุกข์ได้เพราะว่าความทุกข์มามาพิจารณาดูก็เห็นว่ามันอยู่ในใจมันเกิดในใจมันไม่ได้เกิดที่ร่างกาย ไปทำละมานั่งกายยังไงก็ไม่สามารถไปดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนวิธีกลับมาทำใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์ก็หายไปแล้วพอออกจากความสงบมาพอคอยสังเกตดูว่าพอออกมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับขึ้นมาใหม่ก็เลยค้นหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์ว่า น, นี่เกิดจากอะไรกันแนะ่ ก็ได้คนพบว่าอ๋อเกิดจากความอยากของเรานี่เองความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เวลาแก่มันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่อยากแก่กันเวลาเจ็บเราก็ไม่เราก็ทุกข์กันเพราะเราไม่อยากเจ็บเวลาตายเราก็ไม่อยากตายกันเราก็ทุกข์กันก็เลยของทรงคนพบว่าอ๋อความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ทําให้เราทุกข์กัน และเหตุที่ทําให้เราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคืออะไรก็อยากจะอยู่ไปนานๆนั่นเองทำไมเราถึงอยากจะอยู่ไปนานเพราะเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอยากทําอะไรผ่านทางร่างกายอยู่เราก็เลยอยากให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุข แทนที่จะหาความสุขจากการใช้ร่างกายจากการใช้ตาหูจมูกนิ้นกายไปหาความสุขก็ขามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเวลาใจเข้าสู่สมาธิใจสงบความสุขก็ความสุขก็กลับมาไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้ายือ ก็เลยรู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราละร่างกายได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าไปหาความสุขจากการทำใจอยากจากการใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆให้หาความสุขจากการมาทำใจให้สงบมาฝึกนั่งสมาธิแล้วเวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางร่างกาย ก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวกลับมามันก็หมดไปหมดพอกลับมาหมดความสุขหมดไปความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็ขับคือ่อนไวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือเราต้องอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตัดความอยากให้หมดไปจากใจ ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็เลยไม่กล้าไม่อยากที่จะไปหาพอตัดความอยากต่างๆบมไปได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักในสิ่งต่างๆใจก็หายทุกข์ไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้วไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เพราะสิ่ ง, งต่างๆเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้บางทีก็ไม่เป็นอยางไม่ให้เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเวามันอยากแล้วมันก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่อยากแล้วเราจะไม่ทุกข์มันจะเป็นยั ง, ยงไ ง, ก, ง, งก็ปล่อยมันเป็นไปร่างกายจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดสั้นทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี่เกิดจากความอยากของใจเอง เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากการอยากมีอยากเป็นเกิดจากการอยากไม่มีอยากไม่เป็นและวิธีการที่จะทำให้เราหยุดความอยากเลิกความอยากได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมสามขั้นด้วยกันคือรักษาศีลอย่าทำบาปแล้วก็ไปจเจริญสมาธิทำใจให้สงบแล้วเมื่อได้สมาธิแล้ว ก็ไปเจริญปัญญาต่อไปสอนใจให้เฉลาย่ยสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้พอสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเปลี่ยนไปความสุขมันก็หายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่เสมอแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันเปลี่ยนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน วันนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ไม่มีอะไรที่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดเวลาพอเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะยังไปอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขอยู film, ่แต่ถ้าไม่ต้องไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ไม่มาทําให้ใจทุกข์เพราะใจสามารถมีความสุขกับการอยู่เฉยๆได้อยู่กับความสงบได้น นี่เกิดสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งคนพบวิธีการดับทุกข์ของใจแล้วถ้าเวลาใจหมดไม่มีความทุกข์สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสุขใจที่ไม่ทุกข์นี่แหละคือใจที่มีความสุขใจที่มีความสุขที่ไม่ต้องไปหาความสุขทางอื่นต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ไม่ต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเพราะว่าใจที่สงบนิง่งนี้มีความสุขในตัวของมันเอง มีความอิ่มมีความพองไม่มีความหิวโหวยมันจะอิ่มไปตลอดมันจะมีความสุขไปตลอดตัวที่มาสร้างมาทำลายความอิ่มความสุขของใจก็คือความอยากนี่พอเวลาอยากปั๊บนี่ใจที่นิ่งเฉยเฉยนี่ก็กลายเป็นใจที่กระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแต่เวลาที่ไม่มีความอยากเมื่อไหร่ใจก็นิ่งเย็นสบาย ฉะน้นต้องรักษาใจให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้ได้ตลอดเวลาขั้นต้นก็รักษาด้วยการทาใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิขั้นที่สองก็คือการใช้ปัญญาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วใจเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเห็นว่าใจกระเพิ่มใจกระวนกระวายใจกระสับกระสายใจมึดหงุดหียดใจลำคาญอันนี้เป็นผลที่เกิดจากความอยาก เวลาอยากได้อะไรแล้วใจจะเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาทันทีแล้วเวลาไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาอีกแต่ถ้าถ้าหยุดความอยากนี้ได้ด้วยการสอนว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปก็จะทําให้ไม่ต้องการหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ ความอยากหายไปจากใจความมงนหิดความกวนกวายความกระสรบ ก, กระสายก็หายไปใจก็กลับมานิ่งมาเย็นเหมือนเดิมเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ตัดสัรู้อริยสัจสี่คือความทุกข์ความกวนกวายกระสาบกระสายของใจนี่ก็จากความอยากต่างๆนี่ และ ว, วิธีที่จะระ ง, งับความอยากต่างๆนี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาทําไมต้องปฏิบัติศีลก่อนเพราะถ้าไม่มีศีลใจก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองคนที่ไม่ถือศีล ก, ก็จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปหาลาบยศสารเสริญกันแต่พอมาถือศีลแปดมาบวชเป็นนักบวชนี่ก็ไปไม่ได้นะพอเป็นนักบวชนี่จะไปหาเงินทองก็ไม่ได้ แต่ไปสมัครเป็นผู้แทนไปสมัครเป็นนายกก็ทำไม่ได้นะอก็ไปหาอะไรทางโลกไม่ได้หมดเพราะว่าต้องการให้มาหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าราบยศะะเสริญสุขนั่นก็คือความสงบทางใจนั้นผู้ที่จะหาความสงบทางใจจาเป็นจะต้องรักษาศินแปดขึ้นไปศินแปดหรือสินสิบสินสองร้อยีล227อันนี้เป็นศีลที่จะห้ามไม่ให้ไป เอาเวลาไปหาความสุขทางโลกเพื่อจะได้เอาเวลามาหาความสุขทางธรรมความสุขที่เกิดจากการจเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่เ mm hmm. พราะว่าบวชแล้วพอถือศีลบวชแล้วก็จะมีเวลาว่างไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วเพราะเขารู้ว่าเราเป็นนักบวชแล้วไม่มีใครมาชวนเราไปเที่ยวไปงานมันเกิดไปกินเลี้ยงที่ไหนแล้วเ mm hmm. พราะเราถือศีลไปไม่ได้เ mm hmm. มื่อเราไม่เมื่อเราไม่ไปงานต่างๆไม่ไป หาความสุขทางโลกเราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขทางธรรมทางทางจิตใจทางธรรมให้ใจสงบเราก็จะได้มีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเวลาเจริญสติแล้วมานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งได้พอใจนิ่งสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าการไป ได้ความสุขจากลาบยศเสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความคิดที่อยากจะกลับไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะหมดไปเพราะเห็นความแตกต่างกันระหว่างความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรางสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเราได้พบกับ ความสุขที่สูงสุดคือความสงบแล้วเราจะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญเราก็จะอยากจะเพิ่มความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้มีมากขึ้นเราก็จะปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้นไปจนกระทั่งเราสามารถทาใจให้สงบได้ตลอดเวลาด้วยสติแล้ว เวลาเผลอเท่านั้นเวลาเราขาดสติบางครั้งบางคราวความสงบก็จะขาดได้แล้วความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้ก็จะมาทําลายความสงบถ้าอยากจะไม่ให้ความอยากขึ้นมาทําลายความสงบเวลาเกิดความอยากก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เราทําให้มันเที่ยงไม่ได้มันต่อไปทํำให้มันให้ความสุขกับเราตลอดไม่ได้ เช่นคนเนี่ยเราคิดเราอยากจะมีแฟนแล้วจะมีความสุขเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าแฟนเราเนี่ยเขาไม่แน่นอนนะวันนี้เขาอาจจะให้ความสุขกับเราวันต่อไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เขาอาจจะขี้เกียจให้ความสุขกับเราก็ได้พอเขาไม่ให้ความสุขกับเราเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้บังคับเขาให้เขารักเราชอบเราให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้เพราะใจเขาบางทีก็เปลี่ยนไป ใหม่ๆเขาก็ชื่นชมเราแต่อยู่ไปด้วยกันนานๆเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายได้เกิดความเคยชินได้แล้วการที่เขาจะให้ความสุขกับเราก็ลดน้อยถอยลงไปหรือไม่มีเลยก็ได้แล้วตอนนั้นใจของเราก็จะเศร้าใจของเราก็จะทุกข์สิ่งเหล่านี้เราป้องกันได้ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่แน่นอนมันต้องเสื่อมต้องเปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์เราก็อย่าไปมีมันดีกว่า อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบดีกว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความสงบนี้เป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วมันจะสงบไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจแล้วใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีความสุขตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับ24ชั่วโมงใจนี้จะสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังนี่นี่แหละคือใจของผู้ที่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดแล้วได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาถึงแม้ว่ายังจะมีร่างกายอยู่ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายตอบร่างกายจะแก่ก็เฉยๆร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยๆ ร่างกายจะตายก็เฉยๆเพราะใจแยกแยกตัวเองเออกจากร่างกายได้แล้วรู้ความจริงแล้วว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้อย่างไรเมื่อไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย <Yeah. S 1> อันนี้แหละเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการดูแลรักษาใจ ตามแนวทางที่พระเจ้าได้บำเพ็ญและนามาสอนก็คือให้เรามาหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันหยุด้าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญแล้วให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบด้วยการรักษาศีลแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อใจมีสมาธิแล้วเราก็ไปเจริญปัญญาต่อ พิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกเช่นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายถ้าใจมีสมาธิมีอุเบกขาใจก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิ่ ง, งต่างๆที่ใจไปยึดไปถือไป ไปหวังหาความสุขใจก็จะเลิกไม่ไปยึดไปถือไม่ไปหวังความสุขจากอะไรต่อไปเพราะใจได้พบกับความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆนี่นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราให้ความสาคัญก็คือการดูแลรักษาใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ไห้หาความสุขจากการทําใจให้สงบอย่าไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าพึ่งแล้วจะต้องทุกข์ต้องทรมานใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ถ้า ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปะิตังสุมหังคิปเมวะสมิจ a ตสัพเพปุเรนตุสังกะบาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติ 阿拉โสยทาสสะพิธิโยวิว so ัจฉันตุสัพพโรโววินัสตุมัเตภาวัตวันต a รายสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธมรมวาทันติอายุวันโอสุขัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามท่านใดมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือใส่เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือส่งเข้ามาทางผ่านทางเพจทาง YouTube ก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากูด จากจากเฟซ o o ๊พระอาจารย์สุชาติ422ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์270 YouTube ดร V 120วิทยุออนไลน์9คลับ h ฮา11นาคุต172รวมทั้งหมด 1,004 ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านถามได้เลย คำถามจากหน้ากุดคะ่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนรมัส ก, การพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าลูกของดิฉันดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่เวลาโกรธจะแสดงอาการไม่เคารพควรแก้ไขา ย, ยังไงดีคะก็เราต้องสอนเขาหรือพาให้เขาไปเรียนจากครูที่สอนเขาได้เช่นไปวัดถ้าเราเข้าพาเด็กเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็จะสอนง่าย แต่ถ้าเขาโตแล้วก็จะสอนยากส่วนตัวเราเองก็ต้องทาใจว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาขาดการเรียนรู้ขาดการสั่งสอนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นนิสัยของเขาเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ เราทําได้ก็คือคอยสอนเขาคอยบอกเขาแต่ถ้าเขามาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับการสอนก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเลยคำถามถัดไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะอยากเรียนถามว่า ธาตุรู้คืออะไรจากที่ท่านอาจารย์ตอบคำถามเรืออ่องใครเป็นผู้สร้างโลกใบนี้แล้วท่านบอกว่าธรรมชาติสร้างมันขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยที่มีพลังมีผลต่อกันคือพลังทั้งหกดินน้ําลมไฟอากาศธาตุดับธาตุรู้ค่ะก็นั่นแหละธรรมชาติก็คือดินน้ําลมไฟมันมันมันไม่อยู่ชมันไม่อยู่เฉยๆลมมันก็พัดน้าก็ไหล แล้วก็ไฟก็ร้อนมันก็เลยทำให้มีการเกิดปฏิกิริยากับกับสิ่งเหล่านี้ทำให้ปรากฏเป็นมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมามีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรต่างๆมีมนุษย์มีสัตว์อันนี้ก็เกิดจากการการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติคือธาตุสี่นี่มีท่านอยู่ข้างหลังจะถามคําถาม อกกับอาจารย์ครับขออนุญาตถามอาจารย์ว่าพาวันนี้พาแม่มาจะให้เริ่มแม่เริ่มตุนปฏิบัติยังไงครับก็เนี่แหละก็นั่นฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้แล้วก็สวดมนต์ไปคสวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปครับสวดมนต์แล้วพอสวดเสร็จก็นั่งหลับตาดูลมหายใจที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกไม่ต้องไปทําอะไร คอยหยุดใจไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปทำอะไรให้ให้รู้เฉยเฉยถ้ารู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรได้ใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายความเครียดความทุกข์ความวมิตวกกังวลต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวาทำบ่อยๆใจก็จะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเข้าใจครับผมขออย่าถามข้อนึงครับเวลาคูยดังๆหน่อยไค่อครับ เวลาเราพุทโธพุทโธพุทโธไปไอความโกรธเนี่ยมันก็มันก็ลืมไปแหละแต่พอแต่เราลืมพุทโธแล้วเท่าไปกลับมาแรงอาจารย์ก็กลับพยายามอย่าลืมถ้าพอลืมพอรู้ว่าลืมกากลับมาพุทโธครับความโกรธมาแรงกว่าเดิมครับ ก็ก็ต้องพุโทโธก็ต้องรีบกลับมาพราะความปวดกลับมาก็สมมติเราต้องหาพุโทโธแล้วเหมือนเวลาเราไม่สบายแล้วก็รีบหายากินนะครับผมพุโทโธก็เป็นมันยาณัะงับความปวดทางใจไดค้คือความโกรธนี่มันมาเหมือนว่ากูเก่งมากอะไรเงี้ยครับแบบคล้ายๆเราเหมือน เขาสั่งบอกเราว่าเก่งเก่งเก่งเหมือนต่อต้านไม่ค่อยได้ยินนายพูดใกล้ๆฟังเลพอพูดโทรพูดโทรไปแล้วเวลากิเลสมันมามันมาแรงแบบว่าคล้ายๆมันสั่งเราว่ากูเก่งเนี้ยครับเก่งมากเลยครับแล้วก็พูดโทรหยู่ทันเลยถ้ามึงเก่งจริงมึงต้องไม่ทุกข์นะถ้ามึงยังทุกขอยู่ว่แสดงมึงยังไม่เก่งครับแล้วก็ออกมาสั่งเราให้เราเหมือนเราเก่งพราอเก่งแล้วสุดท้ายเราก็ทุกข์ ทุกตามมาตลอดเลยครับทุกดักด้วยออแสดงว่าไม่เก่งจริงหนุตัวเองหนุน <c oughs> <c oughs> ว่าเก่งแต่ความจริงไม่เก่งครับไม่จริงครับค น, คนที่เก่งจริงต้องไม่ทุกข์กับใช่รอาจารย์ครับโอเคนะครับมีข้างหลังในท่านนึลยกับนมัสการกับนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาที่ที่เราปล่อยให้จิตเขาไม่ได้เสพอารมณ์ ที่เขาอยากเสพนานๆนะครับแล้วรู้สึกว่าอารมณ์จิตเขาจะดิ้นดิ้นดิ้ น, นไม่หยุดแบบนี้ครับเราควรที่จะทําอย่างไรครับก็ต้องทําให้มันสงบภายได้ครับท่านแรกก็ใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปเพื่อที่จะได้ะระงับความอยากถ้าสามารถอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับการสวดมนต์ได้ความอยากก็จะลดเบาลงแล้วความดิ้นรนก็จะลดลงไปคแต่ใหม่ๆอาจจะยากหน่อยเพราะว่า เราอาจจะทําไม่ได้นานพุโทโธได้ไม่ถึงนาทีก็หยุดแล้วอันนี้ต้องไปสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีต้องขยันทำต้องทนแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธได้รับประกันได้ต่อไปทางวิญญาณก็จะหายไปครับหรือส่วนมนต์ไปก็ได้สวดน<ำ>้าแล้วซ้ำอีกก็ได้หรือว่าทำความสงบช่วยได้ไหมครับนั่นแหละก็นี่ก็คือการทําความสงบไหมในการใช้พุโทโธใช้การสวดมนต์ ใจก็จะสงบ พ, พอสงบความญหงุดหงิดก็จะหายไปแต่มันหายไปชั่วคราวพอเราหยุดสวดหยุดพุทโธเราไปเริ่มคิดถึงเรื่องที่เราอยากมันก็เกิดความญหงุหงิดขึ้นมาได้มันก็ต้องทําอีกนอกจากถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากเลยสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถ้าเห็นว่ามันจะเป็นความทุกข์ก็มันก็จะหยุดความอยากได้ครับก็คือต้องต้องสอนเข้าไปเลยแล้วครับอ่าต้องสอนใจหรือหรือดูเข้าไปเฉยเฉยไม่ได้ใช่ไหมครับต้องสอนต้องสอนเราอยากอะไรก็บอกสิ่งที่เราอยากมันจะทําให้เราทุกข์ต่อไปครับอ่เพราะมันจะไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดไปบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้บางทีมันก็ไม่มันก็เอาอยากได้มันมันก็ไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ยหญ่ครับ ก, ก, การนมัสก า, ารอรจาายิต้องตาดความอยากให้ได้คำถามถัดไปจากน้ากูดค่ะตอนนี้พบว่าในบ้านมีปลวกขึ้นในบริเวณต่างๆเราจะวางใจอย่างไรหรือควรดาเนินการอย่างหรือควรดาเนินการเช่นไรหากเราต้องการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ค่ะรักษาศีลก็ปล่อยให้มันอยู่ต่อไปหาวิธีป้องกันไม่ให้พวกใหม่เข้ามา พวกเก่าที่อยู่แล้วก็อยู่ไปหาหาทางขึ้นลงของมันให้เจอว่ามันขึ้นลงตรงไหนแล้วเราก็ไปสกัดการเดินทางของมันขึ้นลงแค่นี้ส่วนที่มันอยู่มันเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้ามันขึ้นลงไม่ได้ต่อไปมันก็มันก็จะหยุดเองดังั้นก็หาหาค้นหาทางขึ้นลงของมันได้มันอยู่ตรงไหนแล้วพยายามสกัดมันตรงนั้นตัดทางเดินของมันไป พอตัดทางเดินหน้าต่อไปมันก็ติดติดต่อกันไม่ได้มันก็จะหยุดค่ะคำถามถัดไปมีข้างหลังอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะคือมีสองเรื่องแล้วค่ะคือเรื่องแรกก็คือโยมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งโตมาด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนมาด้วยกัน เ, เขาเป็นเป็นผู้ชายนะคะเป็นคนอิตาลีนะคะก็ ก็อายุเท่ากันเลยอายุ47นะคะก็อย่างร่างกายของโยมเนี่ยก็คือเตือนตลอดเรื่องให้หินไตลักใช่ไหมคะแต่ร่างกายเขาเนี่ยไม่เตือนเลยคือไม่ป่วยแล้วก็เขาเรียกว่ากลุ่มพวก perfectionist มากค่ะคือสามารถค n t r o l ได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องครอบครัวเนี่ยควบคุมไม่ได้เขาก็เลยเลือกอยู่เป็นโสดเหมือนการนิสัยเหมือนกั น, น, น, กนทั้งทั้งคือเป็นเพื่อนสนิทกันแต่พอมาพิ่งมาเลยจ้ะค่ะก็คือแม่เขาเนี่ย เขาเป็นอัลไซเมอร์ชนิดแบบรุนแรงเลยนะคะแล้วก็ยามันไม่สามารถคุมได้เขาก็เพิ่งมาเห็นไตรักเลยแล้วก็เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็มาบอกว่าเขาทุกข์มากเรื่องแม่อยากจะขอความอนุเคราะห์ค่ะไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าก็คือพอจะมีการสอนคนลักษณะ น, น, นี้ได้ไหมคะคือเขาไม่เน่นนับถือศาสนาพุทธเลยแต่และเขาก็เพิ่งเห็นไตรักเลยเพราะปกตินี้เขาจะไม่ไม่บอกโยมเลยว่าเขาทุกข์ เพิ่งมาครั้งแรกเลยที่เขาบอกว่าเขาทุกข์มากที่แม่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะท่านพระอาจารย์พอจะอนุเคราะห์เพื่อนได้ไหมคะหรือต้องแค่ปล่อยวางก็บอกว่าทุกข์ของเขาเกิดจากความอยากของเขาอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้แม่เจ็บใข้ไม่อยากให้แม่ตายมันก็เลยทุกข์ถ้ายอมรับความจริงว่าแม่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะหายทุกข์ง่ายๆอยู่ตรงนั้นแล้วสอนนั่งสมาธิอะไรก็ต้องปล่อยไปเหรอคะ ถ้านั่งสมาธิได้มันก็จะทำใจได้ง่ายขึ้นถ้าสอนแล้วมันยังไม่ยอมรับก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วมันก็จะยอมรับความจริงได้คือโยมคิดนะคะพอพอดีว่าเขาจะอีกประมาณสักสองเดือนเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยว่าจะจะกล่องเขาให้ให้มาฟังเทศของที่เป็นภาษาอังกฤษขององค์ที่แบบสอนนั่งสมาธิพอจะเป็นไปได้ไหมคะ ก็สอนบัญญาเลยก็ได้เพราะว่ามันถ้าเขามีภูมิบัญญาติเขาก็า จ, จะรับได้เลยเขาบอกว่าความทุกข์ใจเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงความจริงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองถ้ายอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์ถ้าถ้ารับไม่ได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิทําใจให้นื่ง แล้วเราสอนใจใหม่แล้วใจก็จะยอมรับได้แล้วพวกพวกนี้เขาจะไม่คิดว่าพวกนั่งสมาธิเป็นเรื่องงมงายเหรอค <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องนั่งก็มาใช้ปัญญาเขาพวกชอบพกใช้ปัญญาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนครับเมืนทําไมใบไม้มันหล่น ม, มันมันร่นออกมาจากต้นก็เพราะมีแรงหนึ่งดูดโลกมันถึงลงมามันไม่ลอยขึ้นไปทําไมเราถึงทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะเราไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตาย ถ้าเรายอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยเนี่ยปังปัญญาพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผลเลยเพราะเขาคนคนระดับปัญญาแล้วต้องใช้ปัญญาสอนไปสอนให้เขานั่งสมาธิเขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่รู้ว่าประโยชน์เกิดจากอะไรล้วสอนว่าอยู่ต้องทำใจอยู่ต้องยอมรับความจริงอยู่ไม่ยอมรับความจริงถึงทำให้อยู่ทุกข์ค่ะเรื่องที่สองนะคะก็ คือ อ, อันนี้เป็นคาพูดของพ่อแบนที่วัดดอยธรรมเจดีนะคะก็มียกตัวอย่างคือท่านเคยพูดมานานแล้วประมาณ7 8ปีว่ายมฟังกิเลสมากเกินไปอันนี้ก็เพิ่งมาเข้าใจยอมรับแต่สิ่งนี้ที่ท่านทอบเทศเลยก็คือว่าให้ดูขนผมเล็ดฟันหนังอันนี้ไม่เข้าใจเลยคะ่ะณปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจคือให้ให้ให้ศึกษาความจริงของร่างกาย ไม่ใช่เพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังต้องทั้งสามสิบสองอาการให้เห็นอยนตลอดครบถ้วนบริบูรณ์ว่าร่างกายนี้มันประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างมันสวยงามหรือไม่สวยงามมันน่าดูหรือไม่น่าดูอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพื่อคลายความรักความกำหนัดยินดีในร่างกายจะได้จะได้ไม่หลงไหลกับความสวยงามของร่างกายที่เป็นเพียงแต่ผิวเท่านั้นเอง พอมองเข้าไปใต้ผิวแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลยในร่างกายมีครงกระดูกมีปอดมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้มีสิ่งปฏิกูลน้าต่างๆน้าเลือดน้าเหลืองอะไรต่างๆน้ามูดน้าอะไรเต็มไปหมดพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วจะเห็นความจริงของร่างกายของทุกคนของดาราภาพยนต์ของนางงามของนายแบบของอะไรมันเป็นปฏิกูลทั้งนั้นเป็นอสุภทั้งนั้นไม่มี ส่วนไหนที่สวยงามเลยภายใต้ผิวหนังเราจะเห็นได้ที่อาจารย์พูดนี่ต้องใช้ระเวบของปัญญาอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือเป็นความคิดอย่างเดียวก็ได้ที่สอนใจบรอกก่อนใปัญญาก็คือความคิดเนี่ยคิดไปในทางความเป็นจริงก็เป็นปัญญาคิดไปในทางความหลงก็เป็นก็เป็นกิเลสเป็นความหลงคิดที่มันขัดกับความเป็นจริงมันก็เป็นความหลงไปถ้าไปคิดว่าร่างกายนี่สวยงามก็หลงนะเพราะไม่เห็นความไม่สวยงาม ที่มีอยู่ที่มองไม่เห็นเพราะไม่คิดเหมันของนี้มันมองด้วยมันมองด้วยตาไม่เห็นนะเพราะผิวหนังมันกันเอาไว้เลยต้องมองด้วยใจมองด้วยความคิดหรือไปเปิดภาพดูก็ได้ภาพที่เขาภาพวาดก็ได้อนาตอมีต่างๆไปเลยรู้ว่าภายใต้ผิวหนังนั้นมีอะไรบ้างแล้วทําไมท่านถึงเ้นแค่ห้าห้าชนิดนี้ล่ะคะ ก็สอนเริ่มต้นมันยาวสามสิบสองมันยาวไปเบเริ่มที่เริ่มที่ผมขนเม็ดฟันหนังแล้วก็ต่อไปก็ให้ทะลุไปถึงสากาศสามสิบสองโอเคคุณเช้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุกค่ะกับเรียนพระอาจารย์ในทางปฏิบัตินั้นที่ให้พิจารณาเห็นกายในกายนั้นหมายความว่าอย่างไรคะ ก็เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนเมนแต่อาการ32มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะกลับกืนสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณากายในกายคำถามจากคุณปูเป้คนที่ดื่มสุราแต่ไม่ได้ไปทำผิดศีลข้ออื่นจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ครับ ทุกคนไม่ช้าก็เลยว่าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก่อนจะกลับมาต้องไปรับผลบุญผลกรรมก่อนถ้าบุญก็ไปไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปก็ไปอาบายก่อนพอพ้นบาปพ้นบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์เราจึงมีหลายแบบเลมนุษย์ที่ดีก็เป็นพวกที่กลับมาจากสวรรค์มนุษย์ที่เร็วก็เป็นพวกที่ออกมาจากอบาย ค่ะคำถามจากคุณวายุค่ะหลวงพ่อครับโยมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอยู่หลายสำนักบางสํานักพระท่านไม่ได้ลงปาฏิโมกข์ทุก15ิบห้าค่ำมีเพียงแต่การแสดงอาบัติกันเท่านั้นแบบนี้จะเป็นการขัดหลักของพระพุทธศาสนาไหมครับอ๋อไม่ใช่เรื่องของเราเหรอกไม่ต้องไปกังวลเราไม่ได้เป็นพระไม่ใช่เรื่องของเราพระท่านจะทําแบบไหนก็เรื่องของท่านไปค่ะ คำถามจากทางยูทูบค่ะภาวนาจนจิตสงบเบาสบายจะประคองยังไงให้อยู่นานๆส่วนใหญ่แป๊บเดียวก็จะคลายจากสมาธิค่ะพระพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปนั่งต่อไปอย่าเพิ่งเลิกพอมันหมดกลาลันก็เหมือนรถอะพอน้ํามันหมดเราจะทํำยังไงแล้วก็ไปจอดปั๊มไปเติมน้ํามันใหม่พอสมาธิหมดเราก็เติมใหม่เติมด้วยสติก็พุโทโธพุโทโธใหม่ดูลมหายใจใหม่ต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบใหม่ ต้องทําเรื่อยๆต้องเติมอยู่เรื่อยๆเติสติอยู่เรื่อยๆเพราะเติมมาเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนเติมน้มานนะํามันรถเนี่ยเราจึงต้องคอยเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยๆคำถามจบคุณเก้าเดินต่อไป กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคุยกับคนคนหนึ่งจากไม่ทุกวันจนตอนนี้กลายเป็นคุยทุกวัน ถ, ถ้าไม่ได้ถ้าไมได้คุยจะรู้สึกทุกข์มากเจ้าค่ะช่วงแรกๆเขาสมาธิเพื่อยับยั้งการคุยได้ช่วงหลังๆใจอยากคุยมากเขาสมาธิไม่ค่อยได้เลยเจ้าค่ะหรือบางครั้งออกจากสมาธิก็รู้สึกไม่อยากคุยแต่สักพักก็ซุ้มไม่ไหวเจ้าค่ะควรทําทอย่างไรเจ้าคะก็ให้เห็นว่ามันทุกข์เลไปคุยแล้วมันติด พอคุยแล้วติดพอไม่ได้คุยก็จะทุกข์ดังนั้เห็นด้วยปัญญาว่าการคุยกันนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเวลาอยากจะคุยก็ต้องหยุดมันบังคับมันให้มันเข้าไปในสมาธิแทนให้ใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันความอยากคุยก็หายไป คำถามจากคุณศิวาการค่ะกับเรียนพระอาจารย์ผมป่วยจิตเวชมาควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดนเจ้านายเตือนว่าอย่ามีปัญหากับใครอีกอยากจะลาออกค่ะพระอาจารย์ก็ฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติก็จะควบคุมอารมณ์ได้พยายามฝึกสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆพอมีรู้สึกมีอาการไม่ดีก็ลพุทโธพุทโธระงับมันเสียมันก็จะไม่มีปัญหากับใคร